คู่มือชีวิตหมวดที่หาการดูแลลูกจัดหนังสือความสุขของครอบครัวหรือสันติสุขของสังคมสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ต อ, อประยุทโตจัดทาโดยครอบครัววิริยาครอบครัวทองสีทองครอบครัวเอี่ยมวงสีและครอบครัวลิขิตกำจรถ้ามีการศึกษาที่ถูกต้องแล้ว เด็กจะหลุดพ้นจากการฝ่ายเสพขึ้นมาสู่การฝ่ายศึกษาและจะมีความสุขจากการได้เรียนรู้ถ้าเด็กพัฒนาขึ้นมาสู่การศึกษาอย่างนี้ชีวิตในครอบครัวก็จะมีปัญหาน้อยลงเด็กจะไม่เรียกร้องมากเพราะว่าพ่อแม่จะคอยหนุนให้เด็กคิดแล้วถามว่าอยากทำอะไรมากกว่าถามว่าอยากได้อะไร เรื่องความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคมกราบนมัส ก, การท่านเจ้าคุณอาจารย์เขาเรียนถามท่านเกี่ยวกับธรรมะซึ่งควรส่งเสริมให้นำมาเป็นหลักปฏิบัติระหว่างสมาชิกในครอบครัวเพื่อประโยชน์สุขแก่สมาชิกทุกคนและเพื่อให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตเขาเรียนถามท่าน ในรูปแบบปุจฉาวิสัชนาในประเด็นต่างๆดังนี้พ่อแม่เลี้ยงลูกคือสร้างสค์โลกปุจฉ่าในฐานะที่ครอบครัวเป็นรากฐานของการปลูกฝังคุณธรรมชาวพุทธควรอบรมเลี้ยงดูให้สมาชิกมีคุณธรรมระหว่างพ่อแม่ลูกระหว่างพี่น้องควรเลือกใช้หลักอย่างไร วิสัชนาหลักปฏิบัติทั่วไปโดยพื้นฐานกว้างๆมีอยู่แล้วหลักพื้นฐานเริ่มจากพ่อแม่เป็นหัวหน้าครอบครัวพ่อแม่เป็นผู้นำส่องแสงสว่างท่านยกให้พ่อแม่เป็นเหมือนทิศ ต, ตะวันออกคือทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นซึ่งมีความสำคัญมากคือดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็ส่องแสงสว่างนำทางการดำเนินชีวิตของคนและสัตว์ทั้งหลายชีวิตของลูก พ่อแม่ก็เป็นแบบอย่างและให้แสงสว่างคือให้ความรู้ความเข้าใจบอกวิธีดำเนินชีวิตให้แม้แต่ชีวิตของลูกพระพุทธเจ้าทรงแสดงฐานะของพ่อแม่ไว้ว่าประการที่หนึ่งเป็นพระพรหมเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้สร้างชีวิตให้กับลูกแล้วก็เป็นผู้เลี้ยงลูกเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่ลูก ประการที่สองเป็นบูรพาจารย์ของลูกคือเป็นครูอาจารย์คนแรกสอนตั้งแต่กินดื่มนั่งนอนเดินพูดทุกอย่างที่จะใช้ในการดาเนินชีวิตหรือเป็นพื้นฐานในการดาเนินชีวิตได้ด้วยตนเองต่อไปประการที่สเป็นอาหุนนยบุคคลของลูกอาหุนนยบุคคลนี้เป็นคำเรียกพระอรหันต และพระอริยะทั้งหลายในสังคมไทยจึงเรียกพ่อแม่ง่ายๆว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกคือมีคุณธรรมอย่างน้อยท่านก็มีจิตใจบริสุทธิ์ต่อลูกรักลูกด้วยใจจริงไม่มีอะไรเคลือบแฝงฐานะทั้งสามประการนี้ถือว่าเป็นสำคัญขอย้ำอีกครั้งว่าหนึ่งเป็นพระพรมสองเป็นบูรพาจ a n 3. เป็นพระอระหันต์ของลูกคุณธรรมที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีข้อสำคัญก็คือเมื่อเป็นพระพรหมพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกมาโดยมีหลักคือพรหมวิหารสี่ได้แก่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งโดยสาระสำคัญทั้งสข้อรวมแล้วก็มีสองด้านด้านที่หนึ่งด้านความรู้สึก หมายถึงความรู้สึกที่ดีงามถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ positive emotion คือพ่อแม่โดยพื้นใจไม่มีความรู้สึกโกรธเคืองจิงชังรังเกียจคิดร้ายเอาเปรียบเป็นต้นต่อลูกมีแต่ความรู้สึกในทางที่ดีคือเมตตาความรักความปรารถนาดีการุณาสงสารคิดจะช่วยเหลือให้พ้นทุกข์มุทิตายินดีด้วยเมื่อประสบความสุขความสาเร็จ ทำอะไรได้ดีก็ชื่นชมแล้วก็ส่งเสริมทั้งสามนี้เป็นความรู้สึกที่ดีทำให้ชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกรวมไปถึงในครอบครัวทั้งหมดมีความรักความอบอุ่นมีความร่าเริงผ่องใสมีความอ่อนโยนเป็นสุขนี่เป็นด้านความรู้สึกส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือด้านความรู้พ่อแม่จะมีเพียงด้านความรู้สึกไม่ได้ต้องมีความรู้ แลรู้จักใช้ปัญญาด้วยเพราะหลักทั่วไปมีอยู่ว่าคนเรามีชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติและกฎที่เป็นของธรรมชาตินี้ไม่เข้าใครออกใครพ่อแม่จะใช้ความรู้สึกไปช่วยเหลืออย่างไรก็ทำเกินกฎธรรมชาติไม่ได้ด้านนี้ลหละแต่พ่อแม่รุกล้ำเข้าไปจะทาให้เสีย คนเราทุกคนนี้มีความเป็นมนุษย์อยู่สองด้านในเวลาเดียวกันคือหนึ่งด้านที่เป็นชีวิตซึ่งเป็นไปตามกฎธรรมชาติและสองด้านที่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ร่วมในสังคมพ่อแม่จะช่วยได้มากที่สุดก็คือด้านที่ลูกเป็นบุคคลผู้อยู่ในสังคมซึ่งพ่อแม่เข้าถึงได้โดยตรงในด้านนี้ พ่อแม่ควรส่งเสริมความรู้สึกที่ดีด้วยความสัมพันธ์ที่ดีงามรักให้ความอบอุ่นให้มีความสุภาพอ่อนโยนจิตใจดีส่วนด้านที่ลูกเป็นชีวิตซึ่งเป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้นพ่อแม่เข้าถึงโดยตรงไม่ได้จะใช้แค่ความรู้สึกไม่ได้แต่ต้องใช้ความรู้โดยสื่อผ่านปัญญาจึงจะโยงไปถึงด้านธรรมชาติของเขา ด้านที่เป็นธรรมชาติของชีวิตนั้นต้องใช้ปัญญาความจริงด้านนี้เป็นด้านสำคัญที่ลูกจะต้องพัฒนาเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตได้ด้วยตนเองด้านที่หนึ่งพ่อแม่มีความรู้สึกดีงามรักผูกพันจะคอยให้ความช่วยเหลือและจะทำให้แต่พอถึงด้านที่สองชีวิตของลูกเป็นของเขาเองเขาต้องอยู่กับความเป็นจริง เริ่มตั้งแต่ร่างกายของเขาก็ต้องอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติต้องกินอาหารต้องขับถ่ายเป็นต้นถ้ากินอยู่ไม่ถูกต้องก็จะเจ็บป่วยหรือเสียสุขภาพเขาต้องรู้จักเป็นอยู่ให้ถูกต้องและจะต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาเองต่อไปเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องได้รับการเตรียมความพร้อมที่จะให้รับผิดชอบตนเองได้ต้องเติบโตเจริญงอกงามต้องมีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถของตนเองซึ่งพ่อแม่ทำให้ไม่ได้แต่พ่อแม่สามารถช่วยเกื้อหนุนโดยใช้ปัญญาประสานกับอารมณ์หรือเอาความรู้มาประสานกับความรู้สึกในเมื่อพ่อแม่มีความรู้สึกเช่นรักลูกเป็นต้นแล้วก็โยงต่อไปสู่ด้านความรู้คือเรารักเขาอยากให้เขาเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขต่อไป แต่ชีวิตเป็นของเขาซึ่งเขาจะต้องรับผิดชอบตนเองเราจะช่วยเขาได้อย่างไรก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าเขาต้องทำอะไรบ้างต้องรับผิดชอบอะไรบ้างและด้วยการใช้ความรู้หรือใช้ปัญญาก็คิดพิจารณาว่าจะเตรียมฝึกให้เขาทำอะไรอย่างไรการใช้ปัญญาคิดไว้ล่วงหน้านี้จะทำให้เตรียมหาแบบฝึกหัดหรือเตรียมกิจกรรมเพื่อฝึกลูกอย่างหลากหลาย ตรงนี้ก็กลายเป็นว่าพ่อแม่ไม่ทำให้เขาแล้วแต่เฉยเพื่อดูให้เขาทำตรงนี้แหละเรียกว่าอุเบกขาคือข้อที่สี่ของพรมวิหารสี่ฉนั้นในพรมวิหารสี่จึงมีสองภาคคือภาคความรู้สึกได้แก่สามข้อแรกแยกเป็นเมตตาครุณามุทิตาและภาคปัญญาซึ่งแสดงออกที่อุเบกขา ได้แก่การวางท่าทีหรือวางตัวเฉยไว้ไม่ทำให้แต่คอยดูให้เขาทำปุจชาแทรกอุเบกขาที่ท่านอธิบายนี้ชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจอาจจะสับสนหรือเข้าใจกันมาผิดผิดวิสัชนาคงเป็นความเข้าใจพร่องหรือเพียนไป กลายเป็นเฉยโง่เสืลมากอุเบกขาแปลว่าการคอยดูอยู่ใกล้ๆในกรณีนี้หมายความว่าแทนที่เราจะทำให้ก็ให้เขาทำเองแต่เราก็ดูอยู่เหมือนกับบอกว่าเรื่องนี้เธอจะต้องทำให้เป็นเองนะแล้วก็ให้เขาทำแล้วเราคอยดูอยู่ใกล้ๆเมื่อเขาทำผิดหรือทำถูกเราก็จะได้ชี้แนะ และเมื่อเขาสงสัยเขาจะได้ถามเราพ่อแม่ก็ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาอุเบกขาจึงหมายความว่าพ่อแม่คอยดูให้ลูกทำโดยเป็นที่ปรึกษาคอยตอบคอยแก้คอยแนะให้เขาเรียนรู้ให้เขาฝึกแต่พ่อแม่ไม่ทำให้เพื่อให้เขาหัดทาด้วยตนเองตรงนี้แหละจะทำให้เด็กได้พัฒนามาก ดังนั้นอุเบกขาจึงเป็นข้อสำคัญที่ให้โอกาสแก่เด็กเพื่อจะมีการพัฒนาถ้าเราเอาแค่จิตใจคือด้านความรู้สึกโดยมีเมตตากรุณามุทิตาเด็กจะพัฒนาในส่วนที่มีความรักความอบอุ่นเป็นคนอ่อนโยนละมุนละไมมีความสุขแต่จะอ่อนแอและพึ่งพาทำอะไรไม่เป็นและถ้ามากเกินไปเด็กก็จะกลายเป็นนักเรียกร้อง ไม่รู้จักพอดังนั้นจึงต้องใช้ด้านปัญญาโดยเอาอุเบกขามาสร้างความสมดุลอะไรที่เด็กควรรับผิดชอบตนเองให้ได้หรือควรหัดทำให้เป็นพ่อแม่จะวางเฉยไม่วขวนควายทำให้แต่เฉยโดยคอยดูอยู่คือเฉยมองไม่ใช่เฉยเมยเฉยเมินหรือเฉ ย, ยไม่รู้เรื่องและเฉ ย, ยไม่เอาเรื่องซึ่งกลายเป็นอัญญานุเบกขาคือเฉยงโง่ การวางเฉยของอุเบกขาหมายถึงเฉยด้วยปัญญาเพราะรู้ว่าเรื่องนี้สมควรทาอย่างนี้ด้วยมีเหตุผลอย่างนี้ซึ่งโดยมากเป็นการวางเฉยเพื่อให้เขาทำตนเองจะได้ดูโดยสังเกตว่าเขาทำอะไรเป็นหรือไม่เป็นแล้วเราควรจะแก้ไขหรือฝึกฝนลูกอย่างไรถ้าพ่อแม่มีเมตตากรุณามุทิตามากเกินไป จะกลายเป็นว่าพ่อแม่ขัดขวางการพัฒนาของลูกเสียเองจึงต้องมีอุเบกขามาช่วยดุลให้พอดีเพื่อให้ลูกมีโอกาสพัฒนาตัวเองซึ่งจะทำให้เด็กมีความเข้มแข็งรับผิดชอบตนเองได้ช่วยให้การเจริญเติบโตของเด็กเป็นไปทั้งสองด้านอย่างมีดุลยภาพเป็นการเจริญเติบโตอย่างพอดีคือทั้งมีความอ่อนโยนมีความสุขความอบอุ่นและพร้อมกันนั้น ก็มีความเข้มแข็งมีความสามารถมีปัญญารับผิดชอบตนเองได้ถ้ามีการเอียงไปข้างหนึ่งอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าเอียงด้านความรู้สึกมากไปไม่มีอุเบกขาขาดปัญญาเด็กก็จะอ่อนแอต้องคอยพึ่งพาและอาจเลยเถิดกลายเป็นนักเรียกร้องถ้าออกไปในระดับสังคมก็อาจจะเกิดโทษในแง่ที่ว่า เสียกฎกติกาและเสียความเป็นธรรมก็จะมีการช่วยเหลือกันในแง่ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมแต่ถ้ามีอุเบกขาก็จะตรึงไว้ว่าทุกอย่างต้องไม่เกินธรรมคือธรรมะไม่เกินความจริงจะช่วยกันต้องไม่เกินความถูกต้องถึงจะมีเมตตากรุณามุทิตามาจะช่วยแต่ถ้ากระทบต่อหลักการกติกาก็หยุด อุเบกขาจะช่วยตรึงไว้ดังนั้นอุเบกขาก็ช่วยรักษาความเป็นธรรมได้อุเบกขานอกจากจะทำให้คนเข้มแข็งรู้จักรับผิด ช, ชอบแล ะ, จะเจริญเติบโตพัฒนาได้ดีแล้วก็ยังรักษาความถูกต้องชอบธรรมในสังคมเช่นรักษาความยุติธรรมได้ด้วยดังนั้นสังคมก็จะอยู่ดีตั้งแต่สังคมในครอบครัว อย่างไรก็ตามถ้ามีอุเบกขาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเฉยแบบไม่รู้เหตุผลคือเรื่อยเฉยเฉย เ, ฉยเฉยมินหรือเฉยเมยก็อาจจะทำให้เด็กเสียได้คือเด็กไม่ได้รับการเอาใจใส่มีชีวิตที่แห้งแล้งขมขื่นซึ่งจะทำให้เด็กบางคนกลายเป็นคนแข็งกระด้างเยี่ยมเกรียมหรือเสียคนหรือบางคนอาจจะเก่งไปเลยเช่นเด็กที่ถูกทอดทิ้งบางคนมีความคิดพัฒนาตัวเอง กลายเป็นคนเก่งเข้มแข็งแต่อาจจะแข็งแบบกระด้างไม่มีน้ำใจไม่รู้จักเห็นใจใครหรือคิดแก้แค้นสังคมรวมความว่าอุเบกขาช่วยให้เข้มแข็งแต่ถ้าขาดสามข้อแรกก็จะกระด้างไปไม่เห็นอกเห็นใจใครเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความพอดีซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก จะต้องเน้นให้รหนักว่าครอบครัวเป็นตัวอย่างเป็นที่พิสูจน์ว่าสังคมจะอยู่ดีได้หรือไม่ถ้าพ่อแม่สามารถรักษาโปรมิหารสี่ให้สมดุลไว้ได้ดีครอบครัวก็จะมีความเป็นอยู่ดีเป็นรากฐานที่ดีของสังคมเด็กที่เติบโตออกไปอยู่ในสังคมก็จะช่วยสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างดี พ่อแม่เลี้ยงลูกดีเหมือนตามลูกไปคุ้มครองโลกอุชาแทรกในครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงลูกอย่างนี้ก็มองเห็นหลักแต่ระวังลูกๆคุณธรรมระหว่างพี่น้องจะเกิดขึ้นอย่างไรวิสัชนา รมวิหารสี่เป็นหลักใหญ่ของชีวิตครอบครัวและครอบครัวนั้นเป็นตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่เป็นต้นแบบในการฝึกเด็กนอกจากความสัมพันธ์กับพ่อแม่แล้วเด็กจะได้รับการฝึกจากครอบครัวในด้านความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องด้วยโดยมีพ่อแม่เป็นผู้นำเริ่มตั้งแต่การนำในด้านความรู้สึกและทัศนคติที่ดีงามลูกที่ยังเป็นเด็ก ที่เป็นหญิงชายเป็นพี่น้องจะมีการสร้างความรู้สึกขึ้นแบบหนึ่งคือความรู้สึกอย่างพี่อย่างน้องซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีงามมีเมตตาคอยช่วยเหลือกันความรู้สึกแบบนี้อยู่เหนือหรือข้ามพ้นความรู้สึกทางเพศคือความเป็นพี่เป็นน้องนั้นเหมือนไม่มีเพศเหมือนไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายความรู้สึกอย่างพี่อย่างน้องนี้จะมากลบเรืออยงน้อยมาคานความรู้สึกทางเพศ ที่มองกันระหว่างหญิงชายเด็กที่อยู่ในครอบครัวในลนนักษณะนี้จะชินกับความรู้สึกอย่างพี่อย่างน้องถ้ามีการปลูกฝังดีเวลาออกไปอยู่ในสังคมเด็กก็จะมีความรู้สึกแบบนี้เป็นพื้นฐานอยู่ในใจเวลาพบปะมองเห็นผู้หญิงอื่นผู้ชายอื่นก็จะมีความรู้สึกส่วนหนึ่งที่นึกถึงความเป็นพี่สาวน้องสาวเป็นพี่ชายน้องชาย ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดุลกับความรู้สึกทางเพศได้ทีนี้ถ้าไม่มีความรู้สึกอย่างนี้ติดมาจากการอบรมบ่มเพาะในครอบครัวแล้วเมื่อเด็กเติบโตขึ้นก็จะมีความรู้สึกด้านเดียวคือความรู้สึกระหว่างหญิงชายเพราะฉะนั้นเมื่อออกไปในสังคมก็มีทางที่จะเกิดปัญหาได้มากคิดว่าปัจจุบันจะมีปัญหาเรื่องนี้มากด้วย คือความรู้สึกที่พัฒนาจากความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกและระหว่างพี่น้องซึ่งเรียกสั้นๆว่าความรู้สึกชันพ่อแม่ลูกและความรู้สึกมองกันอย่างพี่น้องกำลังจะเลือนหายไปเพราะฉะนั้นเวลาออกไปอยู่ในสังคมก็จะมีปัญหาอาชญากรรมต่างๆเพิ่มขึ้นเพราะการที่คนมองกันด้วยความรู้สึกแบบญาติพี่น้องไม่มีมาช่วยดุล หรือคานความรู้สึกที่หนักไปในด้านความรู้สึกทางเพศอย่างเดียวตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเท่ากับว่าครอบครัวเป็นพื้นฐานของสังคมที่จะจูงสังคมไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาจึงมีคําสอนที่ท่านสอนพระไว้ว่าถ้าพบผู้หญิงวัยสูงหน่อยก็ให้มองเป็นเหมือนแม่แต่พบผู้หญิงที่อายุมากกว่าหน่อยก็ให้มองเป็นพี่สาว ถ้าอายุน้อยกว่าก็ให้มองเป็นน้องสาวตรงนี้ก็คือการนำความรู้สึกแบบญาติพี่น้องมาชักนำคุณธรรมซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีงามถ้าโดยพื้นฐานมีการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวที่ดีความรู้สึกนี้ก็จะมาช่วยอย่างเป็นธรรมดาไปเองคือความสัมพันธ์แบบพี่น้องนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิตประจาวันที่เคยชินอยู่เป็นประจา ในวัฒนธรรมไทยที่ผ่านมาจะเห็นชัดว่าการเน้นความสัมพันธ์ด้วยความรู้สึกอย่างญาติพี่น้องนี้ได้แสดงออกในทางภาษาเวลาพบหญิงชายอื่นก็จะใช้คำทักทายเรียกกันอย่างญาติพี่น้องตามอายุวัยของเขาคนอื่นที่อายุมากก็เรียกว่าคุณตาคุณยายหรือตาโน้นยายนี่คนที่อายุในระดับใกล้กับพ่อแม่ก็เรียกว่าลุงป้าน้าอา ถ้าอายุใกล้เคียงกับตัวเองก็เรียกพี่นั่นน้องนี่ช่วยนำความรู้สึกอย่างพี่อย่างน้องขึ้นมาเหนือความรู้สึกอย่างหญิงอย่างชายแต่ปัจจุบันวัฒนธรรมนี้กำลังจะเลือนหายไปไม่ค่อยได้ยินเรียกกันคงจะเป็นเพราะวัฒนธรรมตะวันตกแผ่อิทธิพลเข้ามาครอบงำถ้ามองกว้างออกไปถึงระบบสังคมและการเมืองก็คือจะหันเข้าหาประชาธิปไตยใต้อานาจธุรกิจ ซึ่งเน้นเสรีภาพและความเสมอภาคแบบแก่งแย่งแบ่งแยกโดยละทิง้งหรือยอมสูญเสียอาราดอนภาพแทนที่จะนำอาราดอนภาพที่มีอยู่ค่อนข้างดีแต่เดิมมาเป็นฐานในการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมของเราสืบสืบมาลูกใกล้ชิดแม่มากอยู่กับแม่ตลอดเวลาพ่ อ, อยังห่างกว่า สำหรับผู้ชายที่มีความรู้สึกซาบซึ้งประทับใจในพระคุณความรักของแม่อย่างเลืกซึ้งแน่นแฟนอิทธิพลของความรู้สึกนี้จะมีความหมายสำคัญมากเวลาพบผู้หญิงอื่นในที่ปลอดเปลี่ยวใจของเขาจะประวัติไปถึงแม่หรือภาพของแม่จะปรากฏขึ้นในใจพร้อมทั้งความรู้สึกดีงามต่างๆที่พ่วงอยู่กับความสัมพันธ์กับแม่ตลอดจนคำพูดจาสั่งสอนของท่าน ความรู้สึกนี้ก็เลยมากลบหรือมากั้นความรู้สึกอย่างหญิงอย่างชายหรือความรู้สึกทางเพศทําให้จิตใจโน้มไปในทางที่จะปฏิบัติต่อผู้หญิงอื่นนั้นด้วยเมตตาการุณาในสังคมที่ความสัมพันธ์แบบแม่ลูกเลื่อนลางลงไปและสื่อมวลชนเป็นต้นมีแต่กระตุ้นเร้าความรู้สึกทางเพศและความสัมพันธ์อย่างหญิงอย่างชาย ความรู้สึกแบบนี้ก็ยอมจะครอบงำเป็นเพือนจิตใจของคนทั่วไปเป็นธรรมดาเวลาพบหญิงอื่นชายอื่นก็จะมีตะการมองกันด้วยความรู้สึกในเชิงทางเพศสำรายอาจจะถึงกับย้อนกลับในทางตรงข้ามคือเมื่อสังคมบ่มเพาะคนแทนครอบครัวและเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกและระหว่างพี่น้องน้อยลงความรู้สึกเชิงคุณธรรมระหว่างพ่อแม่ลูก และความรู้สึกมองกันอย่างพี่อย่างน้องก็จะเลือนลางจางหายการมองกันด้วยความรู้สึกทางเพศอย่างหญิงอย่างชายก็อาจจะเข้าไปแสดงบทบาทแม้แต่ในครอบครัวระหว่างพี่ชายน้องหญิงและแม้กระทั่งระหว่างพ่อกับลูกสาวเมื่อถึงตอนนี้สังคมก็จะแตกสลายลงไปถึงขั้นรากฐานหมายความว่าอริยธรรมจะสูญเสียคุณสมบัติ ที่เป็นลักษณะพิเศษของสังคมมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์โลกอย่างอื่นอุจฉาปัจจุบันนี้ในแต่ละครอบครัวจะมีลูกกันน้อยจะอบรมเลี้ยงดูกันอย่างไรเพราะว่าเมื่อออกไปสู่สังคมเขาจะปรับตัวอย่างไรเป็นไปได้ไมมว่าอาจจะมีปัญหาในการปรับตัวได้ วิสัชนาเป็นไปได้อยู่ตอนนี้พ่อแม่ควรหาทางชดเชยหรือแก้ปัญหาโดยให้ลูกของพี่ของน้องแทนที่จะเป็นลูกในครอบครัวเดียวกันก็เป็นลูกของพี่ป้าน้าอาคือลูกพี่ลูกน้องให้มีการพบปะสังสรรค์มีกิจกรรมเช่นการเล่นเป็นต้นด้วยกันบ่อยๆให้มีความสัมพันธ์กันคุ้นเคยกันตั้งแต่เด็กสร้างความรู้สึกเป็นพี่น้อง ความรู้สึกดังกล่าวมีความสาคัญมากในการที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมที่คนจะมองคนอื่นไปด้านเดียวในทางความรู้สึกระหว่างเพศการมองเป็นพี่น้องนั้นก็อย่างที่บอกแล้วว่าอยู่เหนือความเป็นชายเป็นหญิงอยู่เหนือความเป็นหญิงเป็นชายเหมือนไม่มีเพศและแถมด้วยมีความรู้สึกในทางคุณธรรมเช่นมีเมตตากรุณามีความปรารถนาดีต่อกันต่าง ซึ่งจะมาช่วยแก้ไขปัญหาทางอารมณ์ความรู้สึกที่จะดึงไปในทางอาชญากรรมอุชชาท่านอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องก็ควรมีพื้นฐานจากเมตตาพรหมวิหารวิสัชนาก็อย่างเดียวกันคือพ่อแม่เป็นผู้นำ เพราะความรู้สึกระหว่างพี่น้องจะเกิดจากพ่อแม่เป็นผู้นำเริ่มต้นให้พอเกิดมาก็มีพ่อแม่ค่อยบอกว่านี่น้องนะหนูต้องรักช่วยเลี้ยงดูไหนอุ้มซิความรู้สึกนี้จะค่อยๆเป็นไปเองครอบครัวจึงเป็นรากฐานที่ดีของสังคม พ่อแม่เดี๋ยวนี้ดีแต่เลี้ยงแต่ไม่ได้ดูอุดชา้าในสภาพสังคมตอนนี้ที่มีความก้าวร้าวความรุนแรงเกิดขึ้นไม่ทราบว่าประเด็นอยู่ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่พ่อแม่ละเลยบทบาทตรงนี้ไปวิสัญนาแน่นอนเลยเพราะว่าพ่อแม่เดี๋ยวนี้มักจะได้แต่เลี้ยงแต่ไม่ได้ดู การเลี้ยงก็มีความหมายแค่เป็นการบำรุงบำเรอนึกว่าตัวเองขาดความสัมพันธ์กับลูกก็พยายามเอาวัตถุเอาเงินทองมาให้แต่ไม่ได้ดูแลเขาเลยไม่ได้ทำหน้าที่พ่อแม่หรอกกลายเป็นปัญหาซับซ้อนอีกประการหนึ่งคือพ่อแม่เป็นผู้ทาให้เด็กได้รับการหนุนในแง่ค่านิยมบริโภคเพราะว่าพ่อแม่คอยเอาอกเอาใจหาเงินทองสิ่งเสพ บ, บริโภคมาให้ เด็กก็ได้แต่มีความสุขจากการบริโภค พ, พ่อแม่ก็แสดงความรักลูกด้วยการให้วัตถุแทนที่จะฝึกอบรมเด็กให้เด็กก้าวขึ้นไปสู่การพัฒนาตนเองในการเรียนรู้และความดีงามการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวจึงเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวซึ่งมีเรื่องที่จะต้องพูดมากมายแม้แต่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกในบทบาทที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า พ่อแม่เป็นผู้แสดงโลกแก่ลูกความหมายตรงนี้ลึกซึ้งมากเราจะต้องยกขึ้นมาย้ำเน้นและปฏิบัติกันให้จริงจังแสดงโลกนี้แก่ลูกเริ่มต้นก็คือเด็กจะได้เห็นโลกเห็นธรรมชาติเห็นผู้คนในโลกว่ามีอะไรเป็นอย่างไรแต่ไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่เพียงแค่ให้รับรู้ว่ามีอะไรคนเรามองเห็นสิ่งต่าง ไม่ใช่เห็นเพรบเดียวทั้งหมดแต่จะเห็นเพียงบางอย่างบางแง่และการที่จะมองเห็นในส่วนไหนแง่ไหนและในความหมายอย่างใดก็ขึ้นอยู่กับผู้ชี้นำทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวตัวอย่างง่ายๆเมื่อไปพบเห็นกระรอกตัวหนึ่งในหมู่ไม้หลายคนมองด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นสัตว์ตัวน้อ ย, อยมีรูปร่างและการเคลื่อนไหวที่คล้าคล่องว่องไวน่ารักน่าชม อยู่ในบรรยากาศของธรรมชาติดูแลจิตใจก็สดใสเบิกบานมีความสุขบางคนมองด้วยความรู้สึกว่าเจออาหารอันโอชาจ้องแต่กระรอกไม่เห็นธรรมชาติคิดแต่ว่าทำอย่างไรจะจับมันได้จะเอาไปลงหม้อแกงเป็นกับข้าวหรือเอาไปปิ้งไปย่างกินแกล้มเล่าคนหนึ่งเจอกระรอกก็ขันไม้ขันมือขึ้นมาทันทีมองเห็นภาพกระรอกกำลังดิ้นตายล่วงหน้า ะเอามันเป็นเป้าจะเอาไม้คว้างหรือเอาหนังสตต๊กยิงแม้กระทั่งเอาปืนส่องลองฝีมือว่าแม่นแค่ไหนอีกคนหนึ่งมองดูมันด้วยท่าทีของนักหาความรู้ว่าจะรอกเป็นสัตว์ประเภทใดอยู่แถบไหนมากมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรเด็กๆจะเริ่มต้นมองรู้สึกและมีท่าทีอย่างไหนมันจะเป็นไปตามการชักนา เมื่อเริ่มต้นอย่างไรต่อไปก็จะเคยชินอย่างนั้นพ่อแม่เป็นผู้แสดงโลกแก่ลูกเพราะลูกจะพบกับพ่อแม่ก่อนใครอื่นพอลูกเกิดมาพ่อแม่ก็มีบทบาทนี้ทันทีเริ่มตั้งแต่แสดงโลกแก่ลูกด้วยตัวของพ่อแม่เองเลยทีเดียวพ่อแม่เป็นเพื่อนมนุษย์คู่แรกในโลกที่ลูกได้รู้จักพ่อเป็นตัวแทนของผู้ชายทั้งหมด แม่เป็นตัวแทนของผู้หญิงทั้งโลกทีนี้พอพบผู้ชายผู้หญิงที่เป็นตัวแทนของคนทั้งโลกก็เป็นคนที่มีความรักมีเมตตาจึงเป็นการเริ่มต้นด้วยการสร้างความรู้สึกที่ดีนี่คือตัวแทนของมนุษย์ในโลกซึ่งมีความสัมพันธ์ด้วยความรู้สึกที่ดีงามต่อกันไม่ใช่มาพบกันก็จะฆ่าฟันห้ามหันกัน ตอนนี้ความรู้สึกเริ่มแรกที่เจอกันก็คือได้เจอมนุษย์ที่ดีก่อนได้เห็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมมีเมตามาเป็นตัวแทนของมนุษย์เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีพร้อมจะเป็นมิตรกับคนทั้งหลายต่อจากนั้นก็เจอกับพี่น้องพ่อแม่ก็จะถ่ายผ่านความรู้สึกให้พี่น้องมีความรักต่อกันพอไปเจอเพื่อนมนุษย์ความรู้สึกชนญาติก็จะนามาก่อน อย่างน้อยก็มาดุลไม่ให้เกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ไม่ใช่เป็นศัตรูกันนอกจากนั้นสิ่งทั้งหลายที่พ่อแม่จะแสดงต่อลูกก็จะเป็นไปแม้โดยไม่รู้ตัวด้วยความรู้สึกรักโดยธรรมชาติทำให้แสดงสิ่งที่เป็นประโยชน์และให้เห็นแง่ที่ดีแง่ที่จะใช้ประโยชน์ต่างๆ แล้วพ่อแม่ก็จะชักนำไปให้มองดูคนอื่นด้วยความรู้สึกที่ดีงามด้วยความรักมีเมตตาเช่นเมื่อได้พบเพื่อนมนุษย์อย่างลุงป้านาอา<อ>เพื่อนของพ่อของแม่เป็นต้นก็จะมีการแนะนำให้รู้จักโดยพ่วงมากับท่าทีอาการและความรู้สึกที่ดีมีความรู้สึกและทัศนคติที่งดงามเมื่อพบเห็นสิ่งทั้งหลายก็แนะนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้ได้เรียนรู้รู้จักเอาไว้ให้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันไปในเชิงบวกอาจจะมีการสอดแทรกบ้างว่าพ่อแม่ก็มีการโกรธบ้างเหมือนกันแต่ควรจะเป็นไปอย่างมีเหตุผลนี่เป็นลักษณะของบทบาทในการแสดงโลกนี้แก่ลูกแต่ปัจจุบันนี้พ่อแม่กําลังเสียบทบาทนี้ให้กับสื่อให้แก่ทีวีวิดีโอคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเข้ามาแทน นณะนี้น่าเป็นห่วงอย่างที่เคยใช้คำว่าเวลานี้พ่อแม่ถูกยึดครองดินแดนไปซะหมายความว่าครอบครัวเคยเป็นดินแดนที่พ่อแม่ดูแลเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ที่นำลูกแต่เวลานี้พ่อแม่สูญเสียอานาจปกครองนี้ไปโดยที่ว่าบ้านและครอบครัวได้ถูกสื่อเช่นทีวีและวิดีโอเข้ามายึดครองมาทำหน้าที่แทนพ่อแม่ในการแสดงหรือนาเสนอโลกแก่ลูก สื่อปัจจุบันมักแสดงโลกนี้อย่างไรก็ให้ดูให้เห็นการยิงกันฆ่ากันแย่งชิงกันความโหดร้ายล้างแค้นความหยาบคายความยั่วยวนความมัวเมาการแสดงโลกแก่รูปของพ่อแม่สูญเสียไปเด็กยุค ป, ปัจจุบันจึงได้ทีวีวิดีโอเป็นผู้แสดงโลกแก่เขาแต่มักเป็นการแสดงสิ่งเลวร้ายท่าทีของจิตใจที่มุ่งจะเอาชนะ กำราบพิชิตเขาทำลายเขาตรงข้ามกับท่าทีของพ่อแม่แทบทั้งหมดดังนั้นพื้นฐานทางจิตใจของเด็กตั้งแต่ในครอบครัวก็จะโน้มไปทางร้าย bright. หรือเสียหายแล้วเราจะหวังให้สังคมอยู่ดีได้ยากยิ่งถ้าไม่รีบแก้ไขการแสดงโลกแก่ลูกที่พ่อแม่เป็นผู้นำและชี้บอกนั้น โดยทั่วไปจะทำให้เด็กพัฒนาความรู้สึกท่าทีทัศนคติต่อโลกต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์ในทางที่ดีโดยเฉพาะ 1. มองเพื่อนมนุษย์ด้วยท่าทีอย่างญาติมิตรมีมิตรี 2. มองสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะธรรมชาติด้วยความรู้สึกซาบซึง้งเห็นความงามความสงบความประณีตละเอียดอ่อนลึกซึง้ง 3. ม, มองสิ่งทั้งหลายและเหตุการณ์ต่างๆด้วยความรู้สึกว่าน่ารู้น่าศึกษามีท่าทีของการสนองความใฝ่รู้อยากศึกษาอยากค้นคว้าหาความจริงยิ่งขึ้นไปและ 4. มองความสัมพันธ์ของตนเองกับโลกและสังคมด้วยท่าทีของการที่จะออกไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหาหรือพัฒนาทำให้ดียิ่งขึ้น จำให้แม่นเลยว่าจะต้องสร้างท่าทีความรู้สึกหรือทัศนคติสี่อย่างนี้แก่ลูกให้ได้พ่อแม่ชี้แนะนำทางโดยมีเมตตากรุณารักลูกอยู่แล้วจึงทำให้เด็กเกิดทัศนคติและท่าทีแบบนี้ขึ้นมาได้โดยไม่ต้องรู้ตัวแต่ถ้าพ่อแม่ใช้ปัญญาในการชี้แนะนำเสนอด้วยคือใช้ทั้งเมตตาและปัญญา ก็จะได้ผลดีมากที่สุดแต่สื่อต่างๆที่บุกรุกเข้ามายึดครองดินแดนของพ่อแม่ถึงในห้องกินห้องนอนของเด็กนั้นมันไม่มีทั้งเมตตาและปัญญาบางทีแฝงเอาความโลภเข้ามาจะล่อเด็กด้วยจึงมีโอกาสเต็มที่ที่จะชักนำให้เด็กมีความรู้สึกนึกคิดทัศนคติท่าทีที่ตรงข้ามกับที่พูดข้างต้นเช่นมองเพื่อนมนุษย์ด้วยท่าทีที่เป็นปฏิปัก เป็นศัตรูหรือวาดโรแวงมองโลกด้วยความรู้สึกว่าโหดร้ายน่ากลัวเป็นโลกแห่งความเห็นแก่ตัวเป็นแดนที่จะต้องออกไปห้ำหั่นแย่งชิงกันต้องไปเอามาเพื่อตัวเองให้มากที่สุดหรือเป็นที่ไปสแสวงหาความสำเริงสาราญสนุกสนานมัวเมาเป็นต้นซึ่งไม่มีผลที่ต้องการในการศึกษาเลย ดังนั้นจึงต้องพยายามให้พ่อแม่ยังคงมีความสามารถที่จะครองดินแดนในครอบครัวไว้และยังสามารถทำหน้าที่แสดงโลกนี้แก่ลูกโดยใช้ท่าทีหรือบรรยากาศแห่งพรหมวิหาร4ีในการสร้างคุณภาพชีวิตแ ก, ลก่ลูกๆและการฝึกในเรื่องอื่ น, นๆเช่นที่เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กโดยตรงเพื่อให้เขาสามารถเป็นที่พึ่งของตนเองได้ และเป็นส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ของสังคมเมื่อเขาเติบโตขึ้นี่กล่าวมาข้างต้นนี้พ่อแม่จะเป็นผู้นําต่อมาเด็กต้องศึกษาเองบางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้เอาใจใส่ได้แต่เน้นในแง่ของการเลี้ยงด้วยการเอาอาหารเครื่องนุ่งหม่มสิ่งเสบบริโภคมาบารุงให้เด็กมีกินมีใช้ได้เสบบริโภค เราจะได้มีความสุขแล ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นไปบางทีพ่อแม่มองว่าตนเองมีหน้าที่แค่นี้ความจริงแล้วการเลี้ยงควรมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นเลี้ยงหมายความว่าอะไรที่ตั้งตัวยังไม่ได้เราก็ช่วยประครับประคองจนกว่าจะตั้งตัวอยู่ได้เราต้องเลี้ยงเด็กเพื่อช่วยเขาอยู่ได้ด้วยตนเองเพราะเขาอยู่ด้วยตนเองได้เราก็หมดหน้าที่เลี้ยง เมื่อเป็นเช่นนี้พ่อแม่ก็ต้องนึกว่าเด็กจะตั้งตัวอยู่ได้อย่างไรเราต้องทำอะไรบ้างนอกจากการให้อาหารเครื่องนุ่งห่มปัจจัยสีหรือเครื่องกินเครื่องเล่นเครื่องใช้ซึ่งเป็นเพียงสภาพแวดล้อมที่เอื้อเกื้อกูลภายนอกเพื่อเกื้อหนุนให้เขาได้สั่งสมโอกาสและปัจจัยเอื้อที่จะเตรียมตัวให้สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองแต่การจะอยู่ได้ด้วยตนเองรับผิดชอบตอนเองได้ ก็คือเขาต้องเรียนเพราะฉะนั้นการเลี้ยงคือการช่วยจัดสรรโอกาสให้เด็กได้เรียนจึงต้องพูดว่าเลี้ยงคู่กับเรียนพ่อแม่ต้องจำไว้เสมอเลี้ยงก็เพื่อช่วยเกื้อหนุนให้เด็กได้เรียนถ้าพ่อแม่บอกว่าการเลี้ยงคือการนำอาหารวัตถุของกินของใช้ของเล่นมาบำรุงเด็กให้มีความสุขสนุกสนาน ถ้ามองอย่างนั้นก็เป็นอันวจบกันเพราะการทำอย่างนั้นไม่ใช่การเลี้ยงแต่เป็นการบำเรอดังนั้นจึงต้องมองความหมายของสิ่งที่นำมาให้คือวัตถุต่างเป็นเพียงเครื่องเกื้อหนุนในกระบวนการพัฒนาของเด็กซึ่งตัวแท้ตัวจริงของการเลี้ยงอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะเป็นการจัดสรรโอกาสและปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อให้เด็กได้เรียน นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าพ่อแม่ที่รู้เข้าใจอย่างนี้จะไม่หยุดอยู่แค่การนำวัตถุมาให้เด็กแต่จะคอยดูว่าเราจะจัดสรรอย่างไรเพื่อให้เด็กมีโอกาสได้เรียนหรือฝึกตนเองขึ้นไปจึงต้องใช้คำว่าเลี้ยงคู่กับเรียนไม่ใช่แค่เรียนในที่นี้สะกดด้วยลอลิงนะครับมิใช่แค่เรียนมิฉะนั้นเมื่อพ่อแม่เลี้ยงไป แต่ลูกได้แค่เรียนถ้าเด็กดำเนินชีวิตถูกทางเด็กจะเรียนโดยพ่อแม่ที่ฉลาดช่วยเกื้อหนุนจัดสรรโอกาสให้เด็กได้เรียนซึ่งก็คือได้ฝึกหรือได้ศึกษานั่นเอง ถ้าเลี้ยงลูกถูกทางความสุขของลูกจะต้องพัฒนาอุจชาแทรกที่ว่าเลี้ยงคู่กับเรียนหรือเลี้ยงเพื่อช่วยให้เด็กได้เรียนนั้นเด็กยังไม่ได้ไปโรงเรียนในครอบครัวเด็กเรียนอย่างไรวิสัชนาเด็กเรียนตั้งแต่เริ่มชีวิตของเขานั่นแหละ เมื่อเด็กเรียนก็คือเริ่มต้นด้วย 1. เรียนจากการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาและ 2. เรียนจากการกินใช้บริโภคในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นการศึกษาในพุทธศาสนาจึงเริ่มที่นี่ก่อนคือเริ่มที่การใช้ตาหูจมูกลิ้นซึ่งเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องกินอยู่ พูดสั้นๆว่าเรียนด้วยการฝึกพฤติกรรมในการใช้ตาดูหูฟังเป็นต้นและพฤติกรรมในการกินใช้บริโภคแต่การฝึกในเรื่องพฤติกรรมนี้ก็เป็นการฝึกจิตใจและฝึกปัญญาไปด้วยกันพร้อมกันนี่คือกระบวนการที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาซึ่งในขั้นนี้ทั้งสมอย่างนั้นจะแสดงออกมาทางพฤติกรรมที่เรียกว่าศีล เริ่มจากการกินก็ค่อยๆหัดให้เด็กเริ่มรู้จักคิดยังค่อยเป็นค่อยไปรู้จักถามเขาว่าที่เรากินเนี่ยคิดดูซิกินเพื่ออะไรมิฉนั้นเด็กจะเคยชินกับความรู้สึกและท่าทีการมองว่าอร่อยไม่อร่อยเท่านั้นซึ่งจะไม่ได้อะไรขึ้นมาที่จริงนั้นการกินไม่ได้จบที่ความอร่อยใช่ไหมแต่การกินเป็นความต้องการของชีวิต คือร่างกายจะอยู่ได้ต้องมีการกินอาหารตรงนี้หมายถึงกินเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงดีตั้งหากแล้วเราจะได้เอาร่างกายที่ดีแข็งแรงนี้ไปทำประโยชน์อะไรก็ได้คือไปดำเนินชีวิตให้ดีตกลงว่ากินเพื่อสนองความต้องการของชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงถ้าอย่างนั้นควรกินอย่างไร สึ่งจะตอบสนองความต้องการของร่างกายให้ถูกต้องเมื่อจะให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีก็ต้องกินอาหารที่ร่างกายต้องการจะกินมากน้อยเพียงใดตอนนี้จะมีคำตอบแต่ถ้ากินเพื่ออร่อยหรือเพื่อกโกเกลแล้วจะไม่มีคำตอบไม่มีที่สิ้นสุดกินแค่ไหนใช้เงินเท่าไหร่ก็ไม่พอ ถ้ากินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีก็มีคำตอบ 1. กินแค่ไหนตอบได้ 2. ควรกินอาหารประเภทใดกินอะไรตอบได้หมดแล้วก็จะเกิดความพอดีแล้วการกินอาหารแบบนี้ก็ไม่ซ้นเปลืองด้วยใช้เงินไม่มากแต่ถ้ากินแบบอร่อยโก้เก๋สนุกสนานใช้เงินเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่จบเลย สรุปว่ากินสิ่งที่และเท่าที่ร่างกายต้องการไม่ใช่กินสิ่งที่และเท่าที่ตัวเราต้องการพอรู้จักกินหรือกินเป็นอย่างนี้เด็กก็จะเริ่มมีสมดุลไม่ใช่กินเพียงเพื่ออร่อยเพื่อแสดงความฟุ่มเฟือยซึ่งไม่ได้กินด้วยปัญญาเด็กจะเปลี่ยนมาเป็นการกินด้วยปัญญาไม่ใช่กินด้วยทัหาและโมหะซึ่งจะเป็นการกินที่พอดี เพราะว่ากินและตอบสนองความต้องการของชีวิตได้แค่ไหนแค่นั้นก็จะเป็นการสร้างนิสัยที่ดีงามนี่คือการเรียนรู้หรือการศึกษาด้วยเหตุนี้ในพุทธศาสนาจึงเริ่มฝึกตนด้วยการให้พิจารณาอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มว่าเรากินเราใช้เพื่ออะไรตอบตัวเองให้ได้เสร็จแล้วพฤตินิสัยนี้ก็จะมาดุลกัน ำให้เด็กไม่กินเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการโก้เกะที่เป็นการฟุ้งเฟอ้อถูกชักพาไปตามค่านิยมแต่มีความมั่นใจในตนเองและมีความเจริญและมีปัญญารองรับซึ่งจะเป็นความมั่นใจที่แท้จริงคนเราถ้ามีความมั่นใจด้วยปัญญามองเห็นความจริงจะเกิดเป็นความมั่นใจที่แท้จริงและมั่นคง เมื่อเด็กมีความมั่นใจด้วยปัญญาเป็นฐานแล้วแม้ว่าจะอยู่ในกระแสโลกที่มีค่านิยมอะไรก็ตามมาชักพาเด็กก็จะไม่หวั่นไหวไปตามกระแสการศึกษาที่แท้อย่างนี้ต้องเริ่มที่ครอบครัวทางพระเรียกว่าเป็นศีลขั้นต้นอีกด้านหนึ่งคือการใช้ตาดูหูฟังจมูกได้กลิ่นลิ้มรสทางลิ้น สัมผัสทางกายทางพระเรียกว่าการใช้อินทรีย์ซึ่งจะทำหน้าที่สองอย่างด้านหนึ่งคือด้านรับความรู้สึกว่าสบายไม่สบายหรือเฉยเฉยเช่นเห็นสิ่งสวยงามก็สบายตาเห็นสิ่งไม่สวยงามก็ไม่สบายตาหรือขัดตาเคืองตาอีกด้านหนึ่งคือด้านรับความรู้ คือทำหน้าที่รับรู้ข้อมูลว่าอันนี้เป็นสีเขียวสีแดงเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นปูนเป็นโบทท์ทำให้เกิดความรู้คนเราที่เป็นอยู่นี้ก็คือรับรู้โดยเห็นได้ยินเป็นต้นแล้วถ้ามีความรู้สึกสบายตาก็จะชอบใจถ้ารู้สึกว่าไม่สบายตาก็ไม่ชอบใจจะหนีไม่เอาถ้ารู้สึกสบายถูกตาถูกใจก็ชอบก็เอา สุขทุกข์ก็อยู่ที่นี่นี่เป็นด้านรับความรู้สึกแต่พอใช้อินทรีย์ในการรับความรู้ก็จะมีความคืบหน้าพัฒนาไปด้วยเพราะมีการเรียนรู้เพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรเพื่อให้เด็กได้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่าอินทรีย์นี้ไปทางด้านการรับความรู้ให้เกิดปัญญาคือเป็นการเรียนรู้มากขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงเสพอารมณ์ทางตาหูเพียงเพื่อเสพรูปสวยเสียงเพราะเท่านั้นแต่ให้ได้ความรู้คือศึกษาว่านี่คืออะไรเป็นอย่างไรเป็นมาอย่างไรเป็นเพราะอะไรมีเท่าไรใช้ทำอะไรมีคุณมีโทษอย่างไรเป็นต้นรวมความว่าเด็กใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเสพอย่างหนึ่งและเพื่อศึกษาอย่างหนึ่ง ยังเด็กประถมมาที่วัดอรตมาเคยถามว่าหนูดูทีวีวันละกี่ชั่วโมงเด็กก็จะบอกว่าดูเท่านั้นเท่านี้ชั่วโมงถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะดูมากอาจจะทั้งวันเลยถามต่อไปว่าที่หนูดูทีวีเนี่ยดูเพื่อเสพกี่เปอร์เซ็นต์ดูเพื่อศึกษากี่เปอร์เซ็นต์เด็กจะบอกว่าไม่เคยได้ยินเลยแต่เด็กงงไม่นานแล้วแกก็พูดว่าดูเพื่อเสพ9กซ ดูเพื่อศึกษาแทบไม่มีเลยอย่างนั้นเชิญรึแต่ที่หนูทำเนี่ยถูกไหมเราไม่ได้บงการไม่ได้ไปตัดสินเขาให้เขาคิดเองเด็กจะบอกว่าไม่ถูกหรอกเขารู้อยู่ถ้าอย่างนั้นทำยังไงดีเด็กก็บอกว่าต้องแก้ไขหนูจะแก้ไขยังไงเด็กก็บอกว่าจะเปลี่ยนเป็นเสพห้าสิบ 50, ศึกษาห้าสิบก็เลยบอกไปว่าไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเห็นใจเด็ก สังคมเนี่ยผู้ใหญ่ทำตัวอย่างไว้ไม่ดีเพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องรีบร้อนยังเสพเยอะหน่อยก็ได้แต่เพิ่มศึกษามากขึ้นบ้างสุดท้ายเด็กบอกว่าเสพเจ็ดสิบ 70, ศึกษาสามสิบเอานะ่ะเริ่มจัดสัดส่วนแค่นี้ก่อนเด็กที่เริ่มคิดและตกลงปฏิบัติอย่างนี้จะเริ่มก้าวหน้าเพราะจะมีการดูเพื่อศึกษา แล้วความสุขจากการศึกษาก็จะเกิดขึ้นความสุขของคนเราเนี่ยอยู่ที่การได้สนองความต้องการพอเรามีความต้องการอย่างหนึ่งเมื่อได้สนองความต้องการนั้นเราก็จะมีความสุขตอนนี้เด็กเคยชินอยู่กับความต้องการเสพคือจะดูจะฟังเพื่อสนองความต้องการสนุกสนานบันเทิงอย่างเดียวเขาก็จะมีความสุขจากการได้เล่นได้ดูฟังเสพสิ่งบันเทิง แต่พอเขาได้คุ้นกับการศึกษาได้เรียนรู้และเกิดความใฝ่รู้หรืออยากรู้แล้วเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการอยากรู้เขาก็จะมีความสุขจากการเรียนรู้นั้นตอนนี้แหละเด็กก็จะพัฒนาแต่ถ้าเป็นการตอบสนองความต้องการเสพหรือสนุกสนานบันเทิงวิธีของการรับรู้ก็จะดำเนินไปในด้านความรู้สึกคือได้เจอสิ่งที่ชอบใจ ก็จะมีความสุขถ้าได้เจอกับสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์วนเวียนอยู่แค่นี้ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นการตอบสนองความต้องการใฝ่รู้วิธีของการรับรู้และเกิดความสุขก็จะเปลี่ยนไปเพราะการเรียนรู้ไม่ขึ้นอยู่กับความชอบใจหรือไม่ชอบใจเจอสิ่งที่ชอบใจเขาก็ได้เรียนรู้เจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเขาก็ได้เรียนรู้ และเมื่อได้เรียนรู้คือสนองความต้องการรู้ได้แล้วเขาก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นเขาก็จะบรรลุความหลุดพ้นขั้นที่หนึ่งคือหลุดพ้นจากอำนาจกำหนดสุขทุกข์ของความชอบใจและไม่ชอบใจที่ทางพระเรียกว่ายินดียินร้ายหมายความว่าความชอบใจหรือไม่ชอบใจจะไม่เป็นตัวกำหนดความสุขหรือความทุกข์ของเขา แต่การเรียนรู้หรือการได้ความรู้เป็นตัวกำหนดแทนและไม่ว่าสิ่งชอบใจหรือไม่ชอบใจ <_ D> เขาก็ได้เรียนรู้และมีความสุข <_ D> เขาจึงมีความสุขได้ทุกสถานการณ์พวกปุถ <DP> ุชนเต็มขั้นพบกับสิ่งที่สบายตาก็ชอบพบสิ่งที่ไม่สบายตาก็ชังแล้วสุขก็อยู่กับสิ่งที่ชอบทุก็อยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบ แล้วเขาก็เข้าสู่กระบวนการวิ่งหาสุขดิ้นรนหนีทุกข์แต่พอเขาเริ่มเรียนรู้การเรียนรู้ไม่ขึ้นกับสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่ชอบก็ได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่ชอบก็ได้เรียนรู้ทีนี้พอเขามีความสุขจากการเรียนรู้สิ่งที่ชอบเขาก็ได้เรียนรู้เขาก็มีความสุขสิ่งที่ไม่ชอบก็ได้เรียนรู้เขาก็มีความสุข เขาจึงสามารถมีความสุขแม้แต่จากสิ่งที่ไม่ชอบตอนนี้ก็คือการพัฒนาก็เป็นอันว่าลจากการวนเวียนอยู่ในความสุขความทุกข์ที่ถูกกำหนดด้วยความชอบใจและไม่ชอบใจกลายเป็นว่าเขาสามารถมีความสุขทุกสถานการณ์เพราะว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์ยิ่งกว่านั้นต่อมาเขาจะมองเห็นเพิ่มขึ้นอีกว่าสิ่งที่เขาไม่ชอบ หรือสิ่งใดเป็นปัญหาเขามักจะได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นมากสิ่งที่ยากเขาก็จะได้เรียนรู้มากได้ศึกษามากถึงตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าเด็กสามารถชอบสิ่งที่ไม่ชอบชอบสิ่งที่ยากชอบปัญหาและสามารถมีความสุขจากสิ่งที่ไม่ชอบจากสิ่งที่ยากหรือจากปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยตอนนี้เด็กจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีกทั้งทางจิตใจและทางปัญญา ถ้าเราไม่สามารถพัฒนาเด็กถึงขั้นนี้คือให้เด็กมีความสามารถที่จะมีความสุขจากการเรียนรู้หรือจากการสนองความใฝ่รู้เด็กจะไม่สามารถก้าวไปสู่การศึกษาได้เลยทิศนี้การศึกษาในปัจจุบันไม่ได้จับจุดนี้เพราะฉะนั้นการศึกษาจะเดินหน้าไปได้ยากเพราะเราไม่ได้ฝึกคนให้ศึกษาหรือพูดอีกสำนวนหนึ่งว่า เพราะคนยังไม่พัฒนาขึ้นสู่การศึกษาสุขจากเสพสุขจากศึกษาสุขจากสร้างสรรค์ต้องพัฒนาความสุขให้ครบสามขั้น บุตรชาพอท่านได้กล่าวถึงประเด็นนี้มีข้อหน้าคิดประการหนึ่งว่าปัจจุบันนี้เราสอนนักเรียนสอนไปเพื่อทามาหากินสอนว่าต้องเรียนอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะได้ประกอบอาชีพที่ดูดีหาไรายได้ได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้แล้วก็ไม่ใช่การศึกษาเพื่อการพัฒนาวิสัชนา ไม่ได้เป็นการศึกษาด้วยซ้ำคือการศึกษาที่แท้ยังไม่ได้เริ่มเลยอัตมาเคยพูดในที่ประชุมว่าการศึกษายังไม่ได้เริ่มต้นเพราะว่าการศึกษาเริ่มต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละด้วยการมีท่าทีในการรับรู้ที่ถูกต้องแต่ตอนนี้เด็กยังอยู่แค่ในขั้นของการใช้อินทรีย์เพื่อรับความรู้สึกและไม่ได้รับการชักนาให้มีความคิดในเชิงการศึกษาที่อยากเรียนรู้ ที่จะใช้อินทรีย์เพื่อการรับความรู้และไม่ก้าวต่อไปสู่ขั้นของการอยากจะทำให้ดีการอยากเรียนรู้กับการอยากทำให้มันดีนี้ต่อเนื่องกันคือพอได้เรียนรู้เขาจะสังเกตได้เองว่าสิ่งนั้นอยู่ในภาวะที่มันควรจะเป็นหรือไม่แล้วทำให้เขาคิดว่าสิ่งนี้ควรจะเป็นอย่างไรสิ่งนี้ไม่ควรเป็นอย่างไรควรจะแก้ไข ถึงตอนนี้ความต้องการพื้นฐานทางการศึกษาสองอย่างจะเข้ามาประจำอยู่ในใจคือหนึ่งอยากรู้อยากเรียนอยากฝึกฝนตนเองและสองอยากทำสิ่งที่ยังไม่ถูกต้องที่บกพร่องให้มันดีความปรารถนาหรือความต้องการอย่างนี้เป็นกุศลคือความอยากที่เป็นกุศลพูดสั้นๆว่าความอยากรู้และอยากทำให้มันดี เมื่อเด็กยังไม่ได้พัฒนาความอยากหรือความต้องการสองอย่างนี้เขาก็มีแต่เพียงความต้องการเสพและความสุขจากการเสพความสุขจากการกระทําไม่มีคนเราจะพัฒนาได้ต้องมีความปรารถนาจะรู้และอยากทําให้ดีถึงตอนนี้ความสุขจะมีแหล่งใหญ่มาจากการกระทําเด็กปัจจุบันถ้าให้การศึกษาที่ผิด คือไม่ได้ศึกษาก็จะมีความสุขทางเดียวจากการเสพเขาไม่ต้องการทําและถ้าให้ทําก็จะเป็นทุกข์กลายเป็นว่าถ้าจะมีความสุขก็คือสุขที่ไม่ต้องกระทําหรือต้องการได้รับการปลนเปลอโดยมีคนอื่นทําให้เขาจึงจะมีความสุขถ้าอย่างนี้ตัวเองก็พัฒนาไม่ได้สังคมก็จมถ้ามีการศึกษาที่ถูกต้องแล้ว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 อยากได้โน่นอยากได้นี่ถ้าพ่อแม่ออกแต่ถามว่าอยากได้อะไรแล้วไปหาเอามาให้เด็กก็จะเพิ่มผูนิสัยไฟเสพให้มากยิ่งขึ้นจะมีการเรียกร้องมากขึ้นให้เท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าให้ไม่พอเขาหาความสุขในบ้านไม่ได้เขาก็ไปหาความสุขนอกบ้านไปมั่วสมหายาเสพติดแต่ถ้าเด็กเข้าสู่การศึกษา มีความสุขจากการเรียนรู้และจากการได้กระทำพ่อแม่ก็จะเพียงคอยดูว่าเด็กอยากจะทำอะไรและจะทำอย่างไรให้ดียิ่งขึ้นแล้วคอยเกื้อหนุนเด็กก็จะพัฒนาและปัญหาในครอบครัวก็จะน้อยลงเพราะเด็กแต่ละคนมีเรื่องที่ตัวเองต้องทำบรรยากาศก็จะดีขึ้นเองแต่ถ้าพ่อแม่คิดแต่จะบำรุงบำาเรอลูกก็ไม่รู้จักจบ เด็กก็จะมีการจ้องเพ่งแข่งขันกันและระแวงว่าคนอื่นจะได้มากกว่าแก่งแย่งเกี่ยงงอนไม่เป็นสุขความรู้สึกสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นจะต้องช่วยเด็กในการฝึกตัวให้เข้าสู่การศึกษาให้ได้การศึกษาในครอบครัวจะเป็นพื้นฐานได้แท้จริงถูกต้องตามหลักความจริงของธรรมชาติ เราจะเกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้บรรยากาศแห่งการศึกษาเกิดขึ้นมาในบ้านก็จะเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นความสุขของมนุษย์ไม่ใช่สุขอยู่แค่เสพตามธรรมชาติของสัตว์โลกที่ยังไม่พัฒนาลูกเร้าคุณธรรมและชักนำปัญญา ปุจชาวิธีการคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรมจะนำมาปฏิบัติในครอบครัวอย่างไรวิสัชนาการคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรมก็คือการมองสิ่งต่างๆในทางที่จะให้เกิดผลดีงามหรือเป็นประโยชน์เป็นเรื่องที่ต้องเริ่มต้นในครอบครัวอย่างในการศึกษาของเด็กเช่นพ่อแม่ไปกับลูกขับรถไป เป็นเด็กแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าขาดสกปรกตอนนี้ลูกมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเขาจะมีท่าทีจิตใจมองในแง่ใดมีความรู้สึกต่อภาพที่ปรากฏนั้นอย่างไรพ่อแม่จะชักนําได้ไม่ว่าจะในทางที่เป็นการเร้ากุศลหรือเล้าอากุศลเช่นพ่อแม่บอกว่าเด็กคนนั้นน่าเกลียดสกปรกอย่าดูมันก็เป็นการเร้าอากุศลแต่ถ้าพ่อแม่ พูดไปในทํานองที่ว่าน่าเห็นใจเขานะบ้านเมืองยังมีความยากจนอย่างเนี้ยเขาเกิดมาไม่มีเสื้อผ้าใช้เมื่อเรามีโอกาสเราต้องช่วยกันนะเอาเสื้อผ้าไปช่วยเขาได้ใส่บ้างจะได้อยู่ดีมีสุขอย่างนี้เป็นการปลุกร้ากุศลพ่อแม่มีอิทธิพลในเรื่องนี้มากเวลาไปห้างสรรพสินค้าซื้อของก็ต้องคิดว่าจะพูดอย่างไร ให้ลูกมีท่าทีมองสิ่งเหล่านั้นอย่างไรถ้าพ่อแม่พาลูกไปห้างสปปรรพสินค้าไม่ได้ใช้ความคิดก็ไม่สามารถชักนำโยนิโสมนสิการให้แก่เด็กได้ไม่เป็นกัลยาณมิตรอาจจะกลายเป็นปลาประมิตรไปคือมิตรที่ไม่ดีถ้าเป็นกัลยาณมิตรก็จะชี้นะพอลูกเห็นอะไรสะดุดตาสีแดงสีเขียวฉูดฉาดก็จะวิ่งรี่เข้าไป ตรงนี้ถ้าพ่อแม่กระตุ้นผิดทางก็จะบอกได้แค่ว่าอันนี้ไม่สวยอันนั้นสวยกว่าเอาอันนั้นดีกว่าอันนี้อย่าไปเอาเลยเป็นต้นแต่ถ้ามีโยนิโสมนัสิการก็จะกระตุ้นในแง่ที่ว่าของเนี่ยคืออะไรทำด้วยอะไรมาจากไหนใช้ทำอะไรมีแง่ดีแง่เสียอย่างไรควรจะใช้ประโยชน์อย่างไรถ้าลูกเป็นคนทำ จะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรเป็นการให้ความรู้และปลูกเร้าจันทะไปด้วยเด็กก็จะเกิดความใฝ่รู้และสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆถ้าได้มากกว่านั้นเด็กอาจจะเกิดความคิดที่จะทําหรือประดิษฐ์ขึ้นบ้างไม่ใช่ติดอยู่กับความชอบใจไม่ชอบใจสีสวยไม่สวยแล้วจบซึ่งจะไม่เกิดปัญญา ประเมินการพัฒนาให้ครบสี่ด้านอุดฉาตามที่ท่านอธิบายมานี้ถ้าเราทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ต้องอบรมเลี้ยงดูลูกและจะมีเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรว่าลูกของเราเข้มแข็งพอที่จะไปเผชิญกับสังคมภายนอกในทางธรรมะจะมีเกณฑ์การประเมินอย่างไรว่าเด็กมีความเข้มแข็งพอสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง วิสัชนาดูที่การพัฒนาสีด้านคือหนึ่งการพัฒนาด้านกายนอกจากดูสุขภาพทางกายแล้วก็พิจารณาดูที่ความสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งเสบบริโภคว่าเขาพัฒนาหรือยังเช่นดูว่าเขารู้จักกินใช้วัตถุเป็นไหมอย่างเช่นการรับประทานอาหารก็ดูว่าเขารู้จักกินเพื่อวัตถุประสงค์ที่แท้ คือเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไม่ใช่เพียงเพื่ออร่อยอร่อยโ ก, โกแก่ฟุ้งเฟ้ออวดฐานะอย่างนี้แสดงว่าเขามีการพัฒนาซึ่งรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆด้วยสังเกตในการดูการฟังว่ารู้จักดูรู้จักฟังดูเป็นไหมดูได้ประโยชน์ไหมรู้จักศึกษาจากประสบการณ์ต่างๆไหมหรือว่าดูสิ่งต่างๆแล้วตกเป็นาธาตุหมกมุ่นมัวเมา อย่างนี้เป็นการพัฒนาทางกาย 2. การพัฒนาด้านศีลก็ดูการพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ดูความสัมพันธ์กับพี่น้องดูความสัมพันธ์กับเพื่อนเช่นรู้จักคบเพื่อนไหมปฏิบัติหน้าที่ต่อเพื่อนได้ดีไหมเมื่อสัมพันธ์กับผู้คนมีท่าทีทัศนคติถูกต้องไหม การพูดจาเป็นอย่างไรมีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ในทางสังคมอย่างไรรู้จักสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลไหมนี่เป็นการพัฒนาทางสังคม3การพัฒนาด้านจิตใจดูว่ามีคุณธรรมความดีมีเมตตากรุณาเจอสัตว์ทั้งหลายทุกยากเจ็บป่วยอยากจะช่วยเหลือมันไหม มีน้ำใจต่อคนอื่นไหมมีความกระตันอยู่ไหมเป็นต้นแล้วก็ดูสมรรถภาพของจิตใจว่ามีความเข้มแข็งมีความเพียรพยายามมีความรับผิด ช, ชอบมีสติรักษาตัวไหมมีสมาธิแน่วแน่ในกิจที่จะกระทำหรือเปล่าพร้อมทั้งพิจารณาด้านความสุขทางจิตใจว่ามีความสดชื่นเบิกบานผ่องใสไม่เครียดไม่หมนหมองไม่ขุนมัว 4. การพัฒนาด้านปัญญาดูว่าสามารถรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงสามารถมองสิ่งต่างๆโดยไม่ยึดติดกับความชอบชังยินดียินร้ายเท่านั้นแต่มองสิ่งต่างๆโดยรู้จักศึกษามองหาความรู้สืบค้นความจริงรู้จักแก้ปัญหารู้จักวิเคราะห์วิจัยมองโลกอย่างไร มีทัศนคติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างไรมีทิฏฐิแนวคิดอย่างไรวัดเอาทั้งสี่ด้านถ้าใช้ได้ก็ไปได้ปุจฉชาการแสดงออกหรือการกระทำต่างๆในลักษณะาการพัฒนาจะขึ้นอยู่กับอายุหรือไม่วิสัชนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ อายุเกี่ยวข้องเฉพาะในแง่ที่เป็นวัยหรือขอบเขตของการเจริญเติบโตและการเวลาในการสะสมประสบการณ์แต่ตัวการพัฒนาเองขึ้นอยู่กับอาการแสดงออกลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการพัฒนาในด้านต่างๆทั้ง4ด้านว่ามีระดับการพัฒนาเป็นอย่างไรอุจฉามองว่าปัจจุบันเราประเมินคน ไม่ได้ประเมินในลักษณะาการพัฒนาทางกายศีลจิตใจปัญญาแต่เราไปดูกันที่วุฒิบัตรประเมินฐานะทางเศรษฐกิจดูที่ตัวเลขของทรัพย์สินหรือรายได้บุคคล น, นี้เป็นผู้ที่รวยที่สุดของประเทศการนำเสนอในลนนักษณะนี้แสดงถึงสังคมกำลังแสดงโลกในทางที่ผิดใช่หรือไม่วิสัชนา สังคมให้ภาพที่เพี้ยนไปจากความเป็นจริงอุดชาการฝึกอบรมลูกๆให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นต้นทุนในตัวซึ่งจะเป็นเหตุปัจจัยทำให้พร้อมที่จะก้าวหน้าไปในการศึกษาพัฒนาชีวิตของตนถ้าพูดให้สั้นๆเพื่อจำง่ายควรประกอบด้วยอะไรวิสัชนาะพระพุทธเจ้าตรัสว่า ลูกๆคือเด็กทั้งหลายเป็นฐานรองรับมนุษยชาติลูกในครอบครัวคือเด็กในสังคมถ้าจะให้สังคมมนุษย์มั่นคงมีอนาคตเด็กก็ควรได้รับการปลูกฝังคุณสมบัติที่เรียกว่าแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงามหรือรุ่งอรุณของการศึกษาเจ็ดประการคือ 1. แสวงแหล่งปัญญาและแบบอย่างที่ดี 2. มีวินัยเป็นฐานของการพัฒนาชีวิต 3. มีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ 4. มุ่งมั่นฝึกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเป็นคนจะให้ถึงได้ 5. ยึดถือหลักเหตุปัจจัยมองอะไรอะไรตามเหตุและผล 6. ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท และ 7. ฉลาดคิดแยบคายให้ได้ประโยชน์และความจริง